เจอัญญาโกลธัญญเทราประธานประวัติในอดีตชาติของพระอัญญาโกลธัญญเทระพระอัญญาโกลธัญญเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปถุมตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้ทรงเป็นผู้นำโดยวิเศษผู้ถึงพุทธภูมิแล้วเป็นครั้งแรกยักษ์จำนวนเท่าที่มีทั้งหมด มาประชุมที่ต้นโพประนมมือไหว้แวดล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาทั้งหมดนั้นมีใจยินดีเที่ยวไปในอากาศเปล่าประกาศว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงบันเทาความมืดมนอนตการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเทวดาเหล่านั้นมีความร่าเริงเปล่าประกาศบรรเลอลั่นไปว่าพวกเราจาเาะเผาขีเลห์ทั้งหลายให้ได้ ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้ารู้จากคำพูดของเหล่าเทวดาที่เปล่งออกมาด้วยวาจาแล้วมีจิตร่าเริงเบิกบานได้ถวายพิษาครั้งแรกพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของข้าพเจ้าประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่เทวดาได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเราออกบวชได้เจ็ดวันแล้วจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ คัตตาหารที่ถวายเป็นครั้งแรกนี้เป็นสิ่งที่ช่วยอัตภาพของเราผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นไปได้เราจะพยากรเทพบุตรที่จากสวรรค์ชั้นดุสิกมาในที่นี้น้อมทิษาเข้ามาถวายแก่เราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดเทพบุตรนั้นจะครองเทวสมบัติประมาณสามหมื่นกับครองสวรรค์ชั้นไตรทิปปกครองเทวดาทั้งปวงครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว จากไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิครองราชสมบัติในโลกมนุษย์นั้นพันชาติเนื้อกลับที่แสนนับจากกลับนี้ไปพระศ า, าสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโคดทรสงสมภพในราชสกุลโอกากา ก, าก ร, ราชจากอุบัติขึ้นในโลกเทพบุตรนั้นครั้นจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ออกบวชปฏิบัติอยู่หปีในปีที่เจ็ด พระพุทธเจ้าจากทรงประกาศสัจจะพิกษุมีนามว่าโกณทัญญะทําให้แจ้งเป็นองค์แร ก, พ ร, พ, รออกพระโพธิสัตว์ออกผนวชเขาพเจ้าก็ออกบวชตามบําเพ็ญความเพียรอย่างดีเขาพระเจ้าบวชเป็นบนรรณชิตเพื่อต้องการจะเผากิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้สิ่งทั้งปวงในโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้เสด็จไปยังป่าใหญ่ทรงลั่นอมตะเพรีด้วยโสดาปติมัคคยาน ที่ข้าพเจ้าทําให้แจ้งแล้วนี้บัดนี้ข้าพเจ้านั้นได้บรรลุอมตะบทสงบยอดเยี่ยมกําหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกษ์แปและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระอัญญาโกลธัญญเถระได้พาสิกข า, าเหล่านี้ด้วยประกา ร, รชนีอัญญาโกลธัญญเถราประธานที่เจดจบแปิณโธลภารัตวะชะเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระปิณโธลภารัตวะชะเถระพระปิณโธลภารทวะชะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมมตระผู้เป็นพระสยามภูทรงเป็นบุคคลผู้เลิศประทับอยู่บนภูเขาจิตกรูดเบื้องหน้าภูเขาหิมะพานเขาพระเจ้าได้กเกิดเป็นพญาเนื้อไม่มีความกลัวเกรงสามารถวิ่งไปได้ทั้งสี่ทิศอยู่ณที่นั้นซึ่งสัตว์จำนวนมากได้ฟังเสียงแล้วย่อมคลั่งครามเขาพระเจ้าได้คาบดอกปทุมที่บานดีแล้ว เฝ้าพระพุทธเจ้าผู้องค์อา ก, กว่าเนรชนได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้เสด็จออกจากสมาธิครั้งนั้นข้าพเจ้าได้นมัสการพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้สูงสุดแห่งเนรชนในทิศ ท, ทั้งสี่ทำจิตของตนให้เลื่อมใสได้บรรลุสีห์หนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชา ประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์ได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเทวดาทั้งปวงพอทราบพระดารัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาประชุมกันด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเสด็จมาแล้วพวกเราจกฟังธรรมของพระองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระมหามุนีผู้ทรงเป็นผู้นาสัตว์โลกทรงเห็นการไกล ทรงประกาศเสียงของข้าพเจ้าข้างหน้าของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นผู้มีความร่าเริงว่าเราจะพยากรณ์ผู้ที่ได้ถวายดอกประทุมนี้และได้บรรลืีหนะีรษะท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดเนื้กลับที่แปดนับจากกลับนี้ไปผู้นั้นจะเกิดเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่ จากครองความเป็นใหญ่ในแผ่นดินถึง64ชาติจากเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าปทุมะตามโคดมีพลานุภาพมากในกลับที่แสนนับจากกลับนิไปพระศ า, าสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโคดทรงสมพบในราชสกุลโอกาก า, การาชจากอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าโคโดมพระองค์นั้นทรงประกาศ ธ, ธรรมวินยัย ผู้นี้จะเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ออกจากตระกูลพราหมณ์แล้วบวชในขณะนั้นเขามีจิตเด็ดเดี่ยวเพื่อบำเพ็ญเพียรเป็นผู้สงบประงับไม่มีอุปธิกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานณเสนาสนะที่สงัดเว้นจากผู้คนพลุกพล่านด้วยเนื้อร้ายเขากำหนดรู้อาสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพาน คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกขแปและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปิณโทรภารัวาชะเถระได้พาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการะฉนี้ปิณโทรภารัวาชะเถราประธานที่แปดจบเก้า ขัิรวณิยเรยวตะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระขัธิระวณิยเรยวตะเถระพระขัธิระวณิยเรยวตะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าแม่น้ำพาขีร์ธีไหลามาจากภูเขาหิมพานตพระเจ้าเกิดเป็นนายเรืออยู่ที่ท่าน้ำไม่ร่าเรียบพาคนส่งข้ามฟากจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงเป็นผู้นำผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมด้วยพระขีนาสพแสนรูปผู้ได้วสีจะข้ามกร ะ, สะแสน้ำคงคาข้าพเจ้าได้นำเรือมาจอดรวมกันไว้จำนวนมากแล้วจัดประทุนที่นายช่างประกอบอย่างดีไว้บนเรือต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้องอาจกว่านรชน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ศาสดาได้เสด็จมาขึ้นเรือนั้นแล้วประทับอยู่ท่ามกลางน้ำได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่านายเรือที่ได้พาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ผู้ไม่มีอาชวะส่งข้ามฟากจากรื่นรมอยู่ในเทวโลกด้วยจิตที่เลื่อมสายนั้นวิมานที่บุญกรรมตกแต่งไว้อย่างดีมีสันทานดุดเรือจะเกิดขึ้นแก่ท่าน จากมีหลังคาดอกไม้กั้นอยู่ในอากาศทุกเมื่อเนื้กลับที่ห้าสิบปดในเรือผู้นี้จากเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพระนามว่าตาระณะเป็นใหญ่มีชัยชนะในทวีปทั้งสี่เนื้กลับที่ห้าสิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปจากเกิดเป็นกษัตริย์พระนามว่าจาพะกะมีพลานุภาพมากจากรุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์อุทยัยเนืกลับที่แสนนับจากกลับนี้ไป พระศาสดาพระนามว่าโพดมตามพระโครทรงสมภพในราชสกุลโอกากากราชจักอุบัติขึ้นในโลกในเรือผู้นี้จุติจากสวรรค์ชั้นไทรทิพแล้วจักไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุตรของพรามมีนามว่าเรวตะตามโครเขาถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจักออกจากเรือนไปบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าโคโดมหลังจากบวชแล้ว เขาจะประกอบความเพียรเจริญวิปัสนากําหนดรู้อาสะวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสะวะแล้วนิพพานข้าพเจ้ามีความเพียรสำหรับนมพาทุระเป็นความเพียรที่นำมาซึ่งทมเป็นแดนกเกษมจากโยคะข้าพเจ้าทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไวในแสนกลับ แสดงผลแก่ข้าพเจ้าแล้วในอัตภาพสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหลุดพ้นดีแล้วหลุดความเร็วแห่งลูกศรพ้นไปจากแรงเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วแต่นั้นพระมุนีผู้มีพระปัญญามากทรงถึงที่สุดแห่งโลกคือถึงความสิ้นทุกข์ได้ทอดพระเนตรเห็นข้าพเจ้าผู้ยินดีในป่าจึงทรงตั้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัด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 พ น, นันทาเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอานุนเถระพระอนุนเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระมหามุนีพระนามว่าปทุมุตระเสด็จออกจากประตูอารามแล้วทรงบันดาลฝนคืออมะตะรมให้ตกให้มหาชนสงบเย็นแล้วพระขีนาศพแสนรูปเหล่านั้นผู้เป็นนักปราศ สำเร็จอภิญญาหกมีฤทธิ์มากแวดล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุดเงาติดตามพระองค์ข้าพเจ้าได้นั่งกั้นสเวตาฉาตอันประเสริฐเลิศอยู่บนคอช้างเพราะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปงดงามข้าพเจ้าจึงเกิดความปิติยินดีข้าพเจ้าจึงลงจากคอช้างแล้วเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้องค์อากว่านรชน ขปเจ้าเด็กั้นฉัตรแก้วของขพเจ้าถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงสแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงทราบความดําริของข้าพเจ้าจึงทรงพักการแสดงธรรมกถาไว้แล้วได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเราจะพยากรราชกุมารผู้ที่ได้กกั้นฉัตรอันประดับด้วยเครื่องอลังการทองนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด ราชกุมารนี้จุติจากมนุษย์โลกนี้แล้วจะไปครองสวรรค์ชั้นดุสิตมีเหล่านางเทพอับซรห้อมล้อมสวยสมบัติจะครองเทวสมบัติสามสิบสี่ชาติจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแผ่นดินร้อยแปดชาติจะเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิห้าสิบแปดชาติจะครองความเป็นพระเจ้าประเทศราชอนไพบูรในแผ่นดินเนวกับที่แสนนับจากกลับนี้ไป พระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคธทรงสมภพในราชสกุลโอกากากราชจากอุบัติในโลกราชกุมารนี้จักเป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นธงชัยแห่งจักรยาตระกูลมีนามว่าอานน์เป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีความเพียรมีปัญญารักษาตนฉเฉลียวฉลาดในภุสัจจะ ประพฤติธรรมตนไม่แข็งกระด้างเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปาถะทั้งปวงพระอาโน์นั้นมีขิดเด็ดเดียวบำเพ็ญเพียรเป็นผู้สงบประงับไม่มีอุปธิกำหนดรู้อาศาวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาศาวะแล้วนิพพานช้างกุญชรนเกิดในป่าเป็นช้างตระกูลมาตังคะเสื่อมกำลังเมื่ออายุหกสิบปีตกมันสามแห่งมีงางอนงาม ควรเป็นราชภานะฉันใดแม้บัณฑิตหลายแสนรูปก็ฉันนั้นมีฤทธิ์มากทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐท่านเหล่านั้นไม่เป็นเช่นนั้นในการตัดสินใจข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีนอบน้อมทั้งในปฐมยามมาชิมยามและปัจฉิมยามเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด ข้าพเจ้ามีความเพียรมีปัญญารักษาตนมีสติสัมปชัญญะบรรลุโสดาปติผลเฉลิวฉลาดในเสกขภูมิเนื้อกลับที่แสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้สร้างกรรมใดไว้ข้าพเจ้าได้บรรลุถึงภูมิแห่งกรรมนั้นแล้วศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วมีผลมากการที่ข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้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 ด้วยประกาะฉนิอนันทเถราประทานที่สิจบอาปทานพุทวักที่หนึ่งจบบริบูรณ์รวมอาปทานที่มีในวัคนี้คือ 1. พุทธาประทาน2ปงปเจกกะพุทธาประทาน 3. สารีบุตตเถราประทานสมหาโมฆลานเถราประทาน 5. มหากระสปะเถราประทาน หอนุรุทธเทราประทาน 7. จปุณณมันตานีปุตตะเทราประทาน 8. อุปาลิเทราประทาน 9. อัญญากคนั ญ, ญะเทราประทาน10ปินโทละพารถวาชเทราประทานสิอคัทิระวนิยเรวตะเทราประทาน 12. อนันทะเทราประทานรวบรวมคถาไว้ทั้งหมดได้ หกร้อยห้าสิบคาถาสองสีหาสนิยกวัก์หมวดว่าด้วยการถวายแท่นสีหากเป็นต้นหนึ่งสีหาสนะทายกะเทราประทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนะทายกะเทระพระสีหาสนะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์เสด็จดับขันธทปรินิพานแล้วเมื่อปาโพธแผ่กว้างออกไปเมื่อศาสนาอันมหาชนรู้กันแล้ว ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ทําพระแท่นสีห์หกครั้นทําเสร็จแล้วได้ทําตังสําหรับรองพระบาทถวายในฤดูฝนข้าพเจ้าได้สร้างเรืองคลุมบนพระแท่นสีห์หนั้นด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นข้าพเจ้าจึงได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตบุญกรรมได้สร้างวิมารยาวยี่สิบสี่โยศกว้างสิบสี่โยศไว้อย่างดีในขณะนั้นเพื่อข้าพเจ้า นางเทพกัญญาเจ็ดพันนางแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมือ่อบุญกรรมได้เนรมิตบัลลังก์ทองไว้อย่างดีในวิมานยานคือช้างยานคือม้าซึ่งเป็นยานทิพย์ได้รับการจัดเตรียมไว้แล้วประสาทและวอกก็บังเกิดขึ้นตามต้องการบัลลังก์แก้วมณีและบัลลังก์ไม้แขนชนิดอื่นอีกจำนวนมากทั้งหมดบังเกิดขึ้นเพื่อข้าพเจ้า นี้เป็นผลของการถวายพระแท่นสีหาดเขาพระเจ้าสวมเขียงเท้าซึ่งทำด้วยทองคําเงินแก้วผลึกและแก้วไพลทูล น, นี้เป็นผลของการถวายตังสำหรับรองพระบาทเนือกลับที่เก้าสิบสีนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเนกลับที่เจ็ดสิบสามนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามชาติมีพระนามว่าอินทะในกลับที่เจ็สิบสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามชาติมีพระนามว่าสุมณะในกลับที่เจ็ดสิบทูนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามชาติมีพระนามว่าวรุณะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการทรงเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่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 เอกะทันภิกะเทระประธานประวัติในอดีตชาติของพระเอกะทันพิกะเทระพระเอกะทันพิกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะมีคณะอุบาสกหมู่ใหญ่และอุบาสกเหล่านั้นถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเชื่อฟังพระตถาคตอุบาสกทั้งหมดมาประชุมปรึกษาหารือกัน จะสร้างศาลาโรงฉันถวายพระศาสดาแต่ยังหาเสาอีกหนึ่งต้นไม่ได้จึงเที่ยวแสวงหาในป่าใหญ่เขาพเจ้าได้พบอุบาสกเหล่านั้นในป่าจึงเข้าไปหาคณะอุบาสกแล้วยกมือไหว้ได้สอบถามคณะอุบาสกในครั้งนั้นหมู่อุบาสกผู้มีศีลที่เขาพเจ้าถามได้ชี้แจงให้เขาพเจ้าทราบว่าพวกเราต้องการจะสร้างศาลาโรงฉันแต่ยังหาเสาอีกหนึ่งต้นไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้เสาต้นหนึ่งเป็นภาระของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากถวายพระศาสดาข้าพเจ้าจากนําเสามาให้ท่านทั้งหลายไม่ต้องขวนขวายหรอกอุบาสกเหล่านั้นลื่อมใสพอใจให้เสาแขกข้าพเจ้าแล้วกลับจากที่นั้นไปเรือนของตนเมื่อคณะอุบาสกไปได้ไม่นานข้าพเจ้าจึงได้ถวายเสามีจิตร่าเริงเบิกบาน ได้ยกสาวนั้นเป็นต้นที่หนึ่งด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นเข้าพเจ้าได้เกิดยังวิมานวิมานของเข้าพเจ้าสูงตรงานถึงเจ็ดชั้นเมื่อปล o n ตีดังกระหึ่มอยู่เข้าพเจ้าได้รับการบำเรลอยู่ทุกเมื่อในกลับที่ห้าสิบห้าเข้าพเจ้าได้เป็นพระราชามีนามว่ายโสธระแม้ในสถานที่นั้นวิมานของเข้าพเจ้าก็สูงตรงานถึงเจ็ดชั้นประกอบด้วยเรือนยอดอย่างดี มีเสาต้นเดียวน่ารื่นรมย์ใจเนี่กลับที่21นับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้เกิดเป็นกษัตริย์มีนามว่าอุเทนแม้ในสถานที่นั้นวิมานของเขาพเจ้าก็สูงตรงานถึงเจ็ดชั้นเขาพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามเขาพเจ้าก็ได้สวยความสุขนั้นทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งการถวายเสาต้นหนึ่ง เนื io, ate, for this this se ้อกับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายเสาวไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเสาวต้นหนึ่งคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภินญาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระเอกคธามพิเะเทระได้พาสิทธาาเหล่านี้ด้วยประการศชนีดเอกคธามพิเะเทราประทานที่สองจบสนันทเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระนันทเทระพระนันทเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ถวายผ้าเปลือกไม้แด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ผู้เป็นพระสยามภูทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำซึ่งรุ่งเรืองสูงสุดทรงพยากรณ์ข้าพเจ้านั้นว่าด้วยการถวายผ้านี้ท่านจากเป็นผู้มีผิวพรร์ดังทองท่านจากได้สวยสมบัติทั้งสองถูกกุศลมูลตักเตือนแล้ว จะไปเกิดเป็นพระอนุชาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโคดมท่านมีปกติสุขสบายถูกราคะทําให้กําหนัดประกอบด้วยความกําหนัดในกรรมคุณถูกพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนแล้วว่าเพราะเหตุนั้นเธอจัก บ, บวชหรือท่านครั้นออกบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดมนั้นถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วกําหนดรู้อาสวะทั้งปวง เป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้ว น, นิพานเนื้กลับที่หนึ่งพันหนึ่งรอนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสี่ชาติมีพระนามว่าเจละเนื้กลับที่หกหมื่นนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสี่ชาติพระนามว่าอุปเจละเนื้กลับนี่หนึ่งพันห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสี่ชาติมีพระนามว่าเจละ สมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการทรงเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพทาสี่วิโมกแปดและพิญญาหกพระพุทธเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระนันทะเทระได้พาสิทธาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ นั่นท่าเทราประธานที่สามจบสจุลปันทกะเทราประธานประวัติในอดีตชาติของพระจุลปันโทกเทระพระจุลปันโทกเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจา้าพระนามว่าปทุมุตตะผู้สมควรรับเครื่องบูชาพระองค์เสด็จหลีกออกจากหมู่คณะไปอาศัยอยู่ที่ภูเขาหิมพานในครั้งนั้น ครั้งนั้นแม้ข้าพเจ้าก็อยู่ในอาสมแกละภูเขาหิมพานได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้มีความเพียรมากผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกซึ่งเสด็จมาไม่นานข้าพเจ้าถือร่มดอกไม้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้องค์อาจกว่านรชนข้าพเจ้าได้ทำอันตรายรบกวนสมาธิต่อพระผู้มีพระภาคผู้กำลังเข้าสมาธิข้าพเจ้าใช้มือทั้งสองประคองร่มดอกไม้แล้ว ได้ถวายพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคพระมหาโมนีพระนามว่าปทุมุตระทรงรับแล้วเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดมีใจยินดีพากันเข้าไปยังป่าหิมพานส่งเสียงสาธุการว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุจกสักทรงอนุโมทนาครั้นแล้วเทวดาเหล่านั้นได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้สูงสุดแห่งนรชน ขณะเมื่อข้าพเจ้ากั้นร่มดอกบัวชั้นดีเยี่ยมอยู่ในอากาศพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าปทุมุตระตรัสว่าเราจับพยากรดาบทผู้ที่ประคองร่มดอกบัวร้อยกลีบถวายเราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวดาบทนี้จะครองเทวสมบัติ25กลับจกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ34ชาติเขาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกำเนิดใดๆ เคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นดอกบัวก็จะกั้นอยู่เบื้องบนเขาผู้นั่งหรือยืนอยู่กลางแจ้งเนื้อกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศ า, าสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกากา ก, าก ร, ราชจับอุบัติขึ้นในโลกเมื่อพระศาสดาทรงประกาศธรรมวินัยแล้วดาบทนี้จะเกิดเป็นมนุษย์ เป็นผู้สูงสุดในการแปลงกายได้ดังใจนึกจากมีชายหนุ่มสองพี่น้องชื่อว่าปันทะกะทั้งสองคนครั้นได้บรรลุ ป, ประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วจากทำให้ศาสนารุ่งเรืองเขาพเจ้านั้นอายุได้สิบแปดปีบวชเป็นบนรรพชิตยังไม่สำเร็จคุณวิเศษในศาสนาของพระผู้มีรพระภาคผู้ศักดิ์รุปถัมเขาพเจ้าโง่เขลาเพราะเคยดูหมิ่นผู้อื่น พระพี่ชายจึงขับไล่ข้าพเจ้าว่าจงกลับไปบ้านของตนเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้านั้นถูกขับไล่แล้วเสียใจยืนอยู่ที่ซุ้มประตูสังขารามหมดอาลัยในความเป็นสมณนะลำดับนั้นพระศาสดาได้เสด็จมายังสถานที่นั้นส่งลูกศีรษะข้าพเจ้าท่งจุงแขนข้าพเจ้าพาเข้าสู่สังขารามพระศาสดาได้ประทานผ้าสำหรับเช็ดเท้าให้ข้าพเจ้า ด้วยความอนุเคราะห์แล้วตรัสว่าเธอจงอธิษฐานผ้าสะอาดอย่างนี้เขาไเจ้าได้อธิษฐานณที่สมควรเขาไเจ้าใช้มือทั้งสองจับผ้าผืนนั้นแล้วเราลึกถึงดอกบัวจิตของเขาพเจ้าก็น้อมไปในดอกบัวนั้นเขาไเจ้าจึงได้บรรลุอรหัตผลเขาไเจ้าถึงความสําเร็จในการแปลงกายทั้งหลายได้ดังใจนึกในที่ทุกสถานกําหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว อยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แและอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระจุลปันโกเถระได้พาสิขาฐาเหล่านี้ด้วยประการศนี้จุลปันธกะเถราประธานที่สี่จบ หปิลินทวัชชเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระปิลินทวัชชเทระพระปิลินทวัชชเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสุเมทะผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงเป็นบุคคลผู้เลิศเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วพระพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดี ได้ทำการบูชาพระสถูปในสมาคมนั้นพระขีนาศพเหล่าใดผู้ได้อภิญญาหกมีฤทธิ์มากข้าพเจ้าได้นิมนต์พระขีณาศพเหล่านั้นมาแล้วทําสังฆพัสถวายณสมาคมนั้นครั้งนั้นมีภิกษุอุปถากของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสุเมทะภิกษุนั้นก็มีนามว่าสุเมทะได้อนุโมทนาในครั้งนั้นด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้น ข้าพเจ้าได้เกิดในวิมานนางอับซอแปดหมื่นหกพันนางรื่นรมกับข้าพเจ้านางอับซรเหล่านั้นประพฤต์ตามความต้องการของข้าพเจ้าทุกอย่างในทุกสมัยข้าพเจ้าก็ได้ปกครองเทวดาเหล่าอื่นนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมในกลับที่ยี่สิห้านับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าวารุณะมีโภชนาหารสะอาดในครั้งนั้น มนุษย์เหล่านั้นไม่ต้องหว่านพืชไม่ต้องนำไถไปนาบริโภคข้าวสาลีที่ไม่ต้องหุงด้วยฟืนเขาพเจ้าครั้นครองราชสมบัติในอัตภาพนั้นได้ไปเกิดเป็นเทวดาอีกแม้ในครั้งนั้นพวกขสมบัติเช่นนี้ก็ได้บังเกิดแส่เขาพเจ้าสัตว์ทั้งปวง ท, งทั้งที่เป็นมิตรหรือไม่ใช่มิตรย่อมไม่เบียดเบียนเขาพเจ้าเขาพเจ้าเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงนี้เป็นผลแห่งบุญกรรม ในกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการไล่ทาของหอมในพัทระกลับนี้เขาพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหนึ่งชาติเป็นใหญ่กว่าชนเป็นผู้มีพรานุภาพมากเขาพระเจ้านั้นตั้งมั่นในศีลห้าได้พาหมู่ชนจานวนมากใหถึงสุคติได้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลาย